เคยกำหนดพองยุคจับลมหายใจเข้าออกที่ท้องพอมากำหนดลมหายใจเข้าออกเลยสับสนแต่ก็พยายามกำหนดลมที่ท้องก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจับที่ลมหายใจที่ปลายจมูกแบบนี้ถูกไหมคะผู้ที่ คีปฏิบัติพงยุกมามีประสบการณ์อย่างไรอาตมาเข้าใจดีอาตมาเองก็เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติพงยุกมากรรมฐานอันเรกของอาตมาพงยุก เพราะฉะนั้นเข้าใจดีจะมีประสบการณ์อย่างไรในเวลาที่เปลี่ยนการเปลี่ยนการดรู้ลงเข้าลงออกผู้ที่ได้ปฏิบัติมาถ้าพูดถึงอาตมาอาตมาก็มีความลำบากในการกำหนรู้ลงเพราะว่าจิตคุนค้นเคยกับพงยุมากกว่า แล้วก็ง่ายกว่าจิดชอบที่ง่ายกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราชอบทำสิ่งที่ง่ายแต่ไม่มีประโยชน์เราไม่ชอบทำสิ่งที่ยากแต่มีประโยชน์นี่นปรโกไนพระธรรมบุตร ในธรรมบุทใช่มั้ยใช่ค่ะธรรมบัธรรมบทค่ะธรรมบทก้อนนี้ปรากฏในธรรมบุทในเวลาอาตมาเริ่มปฏิบัติอนาบานาสติอยู่กับลมได้แค่นิดเดียวลืมแล้วก็ อยู่กับพงยุกนานแค่ไหนหมดเวลา <laughs> เดี๋ยวบางลรงต่อไปก็ทำอีกกำเนดรู้ลงแค่กี่นาทีไม่ทราบเดี๋ยวก็ไปพิจารณาพงยุกอีกก็หมดเวลาอีกก็เพราะว่าจิต เราติดสิ่งที่เราทามาคนคีง่ายกว่าการกาเนืรู้ลงตอนนั้นเอาหลีจิตไม่อยากยอมจิตไม่ยอมจะอยู่กับลงตอนนั้นยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ศึกษา พระธรร ม, มทศนาพระธรรมแล้วก็ฟังธรรมที่พระอาจารย์ใหญ่เป็นอุปชาของอาตมาที่แสดงไว้พระอาจารย์ใหญ่แสดงไม่ใช่ตามความชอบของตัวเองไม่ใช่ตามความตามใจตัวเองพระอาจารย์ใหญ่แสดง ด้วยภาษาบาลีด้วยควมปฏิบัที่ปรากฏในอัตถกาดาในที่สุดเข้าใจว่ามีกรรมฐานสี่สิบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสองไว้ถ้าเราปฏิบัติต้องเป็นกรรมฐานอันใดอันหนึ่งในสี่สิบ ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดิพระนิพพานก็มีคาสัง่ง ม, มีคาสัง่งถ้าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอธิบายว่า ท่ามที่ตัวเองแสดนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นท่ามที่ได้ฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเมตเถพูดแบบนี้อย่าลืกอย่ารีบ ย, ยอมรับอย่า ร, รีบปฏิเสธไปเปรียบเทียบกับ คำสั่งสอของตถาคตถ้าเปรียบเทียบแล้วอ น, นี้ไม่ตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิเสธถ้าตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายมรับสำคัญมากอ น, นี้หน้าที่ของใครหน้าที่ของใครหน้าที่ของโยมทั้งหลาย หน้าที่ของอาตมาเพื่ออาตมาเพื่อโยมหน้าที่ของโยมโยมต้องมีความเข้าใจต้องมีความรู้เพื่อจะสามารถเปรียบเทียบแต่ก่อนก็ไม่มีโอกาสจะทำแบบนี้เพราะว่ายังเป็นคารวาตอนที่อาตมาปฏิบัติ พงยุ่ก็ยังเป็นคาระวะความสำคัญไม่ใช่การปฏิบัติความสำคัญคืออะไรโยมบอกให้อัตมาทราบหน่อยได้ไหมนี่ความสำคัญของโยมทั้งหลายคืออะไรการปฏิบัติหรืออัตมาไม่เชื่อ เงินทองกามาโรงชื่อมีเพื่อจะมีชื่อเสียงอันนี้เป็นจุดเป้าหมายของคาราวาททั้งหลายอันนี้ความสำคัญของคนเราตอนนั้นอตาตมาก็ยังเป็นคาราวาทชอบปฏิบัติเต ว, ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะลุกพ้นจากสามสารวาัตรตอนนั้นเราเป็นชาวพูดชาวพูดก็ควรปฏิบัติไปปฏิบัติ ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเดี๋ยวสันเวทเกิดขึ้นตัดสินใจจะอยู่ชีวิตพระพิสุตอนนั้นจุดประสงค์เปลี่ยนไปความสําคัญไม่ใช่การมาลงความสำคัญคือเพื่อจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอะไรคือพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อะไรคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไว้ แต่ในช่วงแรกอาตมาไปปฏิบัติอนาบานาสิตสติตอนนั้นเป็นพระพิสุทแล้วแต่จิตยังไม่ยอมจะทิ้งจะทิ้งอะไรอืจิตไม่ยอมยังติดอยู่เพราะว่าค้นเคยมาก็ปฏิบัติต่อเดี๋ยวนันที่สื่เข้าใจว่าในกรรมฐานสี่เศษไม่มีอันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาควรทําอะไรปล่อย ในเวลาที่ความเข้าใจแบบนี้เกิดขึ้นอตาตมาตั้งใจปฏิบัติอนาปานะสองวันก็ผ่านไปเข้าใจไหมสองวนองังวนในสองวันสามารถวางอุเบกขาอันนี้ได้เดี๋ยวนี้คำถามก็เหมือนกันอาตมามีความเข้าใจดีถ้ายังไปยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่ควรสิ่งที่เคยทำมาสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่ง่ายจะไม่ยอมถ้าจิตเปลี่ยนไปความเห็นเปลี่ยนไปความเข้าใจเปลี่ยนไปสามารถตั้งสติให้อยู่กับลมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอะไรคือพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อะไรคือเราควรปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจเราสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจมีแต่ปัญหาอันนี้ปัญหาทําไมเพราะว่ายังไม่ยอมรับความรู้และคําสั่ ง, สงของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นยังจะดํารงแบบที่เราค้นเคยต่อไปแต่อาตมาเนเนเนน้ำว่า ในเวลาจิตไปรับรู้ไปใส่ใจพองยุคอย่าปฏิเสธยอมรับหน่อยเพราะว่าตัวเองได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นจิตจะไปรับรู้อันนี้สิ่งธรรมดาแต่ เ, เราต้องมีความตั้งใจที่จะปรับตัวเองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่สามารถปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติที่เราดำรงปฏิบัติต่อไปเข้าใจใช่ไหมคำถามต่อไปนะคะวันนี้เห็นลมชัดเจนขึ้นแต่รู้สึกณจุดสัมผัสเวลาหายใจออกมากกว่าหายใจเข้าจุดสัมผัสของลมหายใจเข้าและออกเป็นคนรัตตำแหน่งกันได้หรือไม่คะถ้า จุดกระทุกไม่เหมือนกันในเวลาหายใจเข้าหายใจออกเราควรเลือกแค่จุดเดียวให้กำหนดรู้แค่จุดใดจุดหนึ่งแต่ไม่ใช่จุดลมตรงที่กระทุกที่ไหนที่เราสามารถรับรู้ลมชัดเจนกำหนดรู้ลมที่นั่นไม่ควรสองที่ ถ้าสองที่จะไม่สามารถช่วยทำให้จิตที่รู้อารมณ์เดียวติบโตขึ้นจะเริยนขึ้นได้รู้สึกข้อสองนะคะรู้สึกรมหายใจละเอียดและยาวบางเวลาก็ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเริ่มจากเห็นแสงสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเป็นมืดลง เห็นเป็นจุดสีขาวแต่มีขนาดเล็กไม่สว่างเหมือนตอนที่เป็นสีอื่นแรกๆ แ, แล้วก็หายไปบางทีมีภาพสลับแต่ก็ยังดูลมหายใจต่อไปค่ะโครงรายงานนะคะ <Okay. S 1> รายงานพระอาจารย์นะคะว่ารู้สึกลมหายใจละเอียดรละยาวเพราะให้เขานั่งประมาณชั่วโมงครึ่งนนะคะรู้สึกมีลมหายใจละเอียดและยาว บางเวลาก็ไม่มีไม่รู้สึกลมหายใจและเริ่มเห็นแสงสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วมืดลงจึงเห็นเป็นจุดแสงสว่างสีขาวแต่มีขนาดเล็กไม่สว่างมากเหมือนตอนที่เป็นสีอื่นๆแล้วก็หายไปบางทีก็มีภาพนิมิตสลับขึ้นมาแต่ก็ดูลมหายใจต่อไป ในเวลาที่ปฏิบัติในเวลาปฏิบัติอนาบานาสติเราต้องกำหนืรู้แค่เลงถ้ารูปภาพอะไรปรากฏขึ้นมาคือขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจวางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูลงต่อไป อัตมาขีทีธิบาสาธุชนทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติอนาบานะมากขึ้นมากขึ้นลมและเอียดมากขึ้นอันนี้เป็นการก้าวหน้าแต่ถ้าลมและเอี่ยนมากขึ้นผู้ปฏิบัติใกล้ทั้งหมดได้ประสบความลำบากถ้าลมและเอี่ยนมากขึ้นสติไม่พอเพราะฉะนั้นลมหายไป ตอนนั้นไม่ต้องการวนต้องทําให้จิตสงบถ้าจิตสงบลมจะกลับมาถ้าจิตสงบด้วยจิตนี้ถ้ารอแถวแถวนี้ลมจะกลับมาแล้วก็บุคคลที่สามารถกำหนดได้ดีขึ้นนานขึ้นสมาธิดีขึ้นแสงจะปรากฏขึ้นมาในเวลาที่แสงปรากฏอย่าไปสนใจแสงอย่าไปใส่ใจมันด้วย แล้วก็อย่าไปสนใจสีของแสงด้วยสีเปลี่ยนเพราะว่าสัญญาเปลี่ยนบางทีก็จิตของเราเกิดดับอย่างรว ด, รวดเร็วอเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ทันบางทีก็ไปสนใจสีของแสงเพราะฉะนั้นสีเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสนใจสีของแสง แบบของแสงที่ปรากฏเหมือนกันแค่กลับมาดูเลอถ้ามีความสุขก็ไม่ต้องไปสนใจแค่กลับมาดูเราแม้อย่างนั้นเราลืมจะอยู่กับเหตุที่สามารถทำให้ความสุขสงบแสงปรากฏขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับเหตุที่เป็น ลมเข้าลมออกในทุกๆเวลาเท่าที่สามารถทำได้รายนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เห็นแสงเหมือนกันแต่เป็นเหมือนกับสีเทาสีดำแล้วก็เคลื่อนเข้ามาแล้วก็หายไปแล้วก็สว่างแล้วก็ดับจะทำอย่างไรคะ <laughs> เปลี่ยน <laughs> <laughs> เพราะว่าสมาธิยังไม่มั่งคงดี เพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกแบบหนึ่งถ้าสมาดีดีขึ้นถ้าไม่ไปสนใจแสงที่ปรากฏและถ้าสมาดีดีขึ้นเรื่อยๆตามกำลังของสมาดีแสงกำลังของแสงก็จะเปลี่ยนไปได้ เดยังไม่มั่งคงดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจแสงแค่อยู่กับเราถ้าทำแบบนี้ต่อไปโดยไม่ไปสนใจและไม่ไปใส่ใจแสงสมาธิจะดีขึ้นแสงก็จะมั่งคงดีขึ้นกำหนดลมหายใจอยู่บางครั้งก็เป็นช่วงยาว มีจะมีอาการเหมือนมือหายไปแต่ลมหายใจยังอยู่แล้วก็แผ่วเบามากทำอย่างไรคะมือหายไปลมหายใจยังอยู่ได้ตอบแล้ว <laughs> ได้ตอบแล้ว <laughs> นั่งลมหายดูหายลมหายใจเข้าออกลม บางครั้งก็ดูเหมือนกับไม่ได้กําหนดเมื่อมีลมเข้าและลมออกแต่ดูลมเฉยเฉยจะถูกไหมคะไหมครับยังไม่เห็นแสงเลยครับอีกพูดซ้ำอ่านซ้อ่านซ้ น, น, นะเจ้าคะ่ะนั่งดูลมหายใจเข้าออกกําหนดว่ามีลมเข้าลมออกดูไปเฉยเฉยไม่ได้กําหนดอะไร บางครั้งก็ลมเข้าบางครั้งก็ลมออกจะถูกไหมครับแต่ยังไม่เห็นแสงเลยอยากจะเห็นแสงอยู่แล้วแค่ดูโลมีผู้ปฏิบัติบางคนที่สามารถกำหนดรู้แค่ลมเข้า ไม่รู้ลมออกมีบางคนที่รู้แค่ลมออกไม่รู้ลมเข้าอย่างนี้ก็มีไม่เป็นไรตามความสามารถของตัวเองเราต้องฝึกถ้าแค่รู้ลมเข้าไม่รู้ลมออกกำหนดรู้ลมเข้าแต่ในเวลาหายใจออก ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้หายใจออกไปแล้วแม่แต่ไม่รับรู้นายทนองเดียวกันเท่าแค่รู้ลมออกก็กำเนิดรู้ลมออกแต่ในเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้หายใจเข้าไปแล้วถ้าทำแบบนี้ต่อไปในเวลาสติดีขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นจะรู้ทั้งลมเข้าและลมออก ถ้าอยู่กับลงได้อย่างดีเฉอๆก็แล้วแต่ไม่ไม่เป็นไรถ้าถึงเวลาถ้าสมาธิดีขึ้นแสงก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ต้องคาดหวงังในเวลาปฏิบัติที่สำคัญอันสำคัญอย่าคาดหวงัง ถ้ามีความคาดหวังอันนี้จะนอันนี้จะกลายเป็นนิวรนความคาดหวังคือความอยากใช่ไหมความอยากคือกามิฉันานิเวนอันนี้ก็เป็นความโลภเพราะฉะนั้นอันนี้นิวรนถ้าไม่จิตไม่สงบจิตที่คาดหวังเป็นจิตที่ไม่สงบ จิตที่ไม่สงบไม่มีกำลังอันไหนมีกำลังมากกว่าจิตที่สงบและจิตที่ไม่สงบในเวลาที่เราแสวงหากามารุความโลภความอยากความคาดหวังสำคัญมากเพราะว่ากามาร์คืออารมณ์ของกิเลสใช่ไหม เพราะฉะนั้นความอยากจำเป็นความคาดหวังก็จำเป็นเหมือนกันแต่อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่อารมณ์ของกิลิด้วยความอยากทาไม่ได้ด้วยความคาดหวงังไม่สามรถเราต้องมีสติเลปัญญาถ้าจิตไม่สงบ สติแลปัญญาติดตัวสติแลปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้จิตสงบถ้าจิตสงบดีเราสามารถช่วยทำให้สติปัญญาติดตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการความอยากความคาดหวังในการปฏิบัติเราต้องการแค่จิตที่สงบ เพราะว่าในเวลาจิตสงบถ้าไม่สติปัญญาเือขึ้นได้เข้าใจไหมเข้าใจคำถามต่อไปนะคะเวลานั่งสมาธิแล้วไม่สามารถจับลมได้เลยเพราะหลับตาทีไรก็จะเห็นเรื่องปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาเกิดดับพอเกิดดับอยู่ พอจับลมได้สักหนึ่งถึงสองครั้งก็เป็นอีกแล้วควรทำอย่างไรบางครั้งต้องนั่งลืมตาทำให้ไม่มีสมาธิเลยขอคาแนะนำแก้ไขเจ้าค่ะปรุงแต่งเกิดดับคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรเกิดดับเขานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อพอหลับตาจะเห็นเครื่องเห็นภาพปรุงแต่งเรื่องต่างๆตลอดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ พอจับลมได้สักหนึ่งสองครั้งก็เป็นอีกแล้วนะคะอยากถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรนั่งสมาธิแบบรืมตาได้ไหมที่เมื่อกี้นี้อาตมาได้อธิบายเราไม่ต้องการความอยากความคาดหวังในการปฏิบัติเราต้องการจิตที่สงบ ในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจิตต้องสงบถ้าจิตไม่สงบ ก, การปฏิบัติจะไม่ดีเพราะฉะนั้นอาตมาแนะนำสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะทําให้จิตสงบก่อนที่จะกําเนดรู้ลงทุกคนควรทําให้จิตสงบก่อนที่จะกําเนดรู้ลง ถ้าจิตไม่สงบเราเราจะไปบังคับลมเข้าลมออกถ้าจิตจิตไม่สงบเราไม่สามารถกำหนรู้ลมที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าจิตสงบลมจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาตมาแนะนำโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลาย เพื่อจะแผ่เมตตาให้เกิดตัวเองและบุคคลที่เขารคก่อนที่จะกำเนิดรู้ลมแผ่เมตตาให้เกิดตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขใจสบายใจขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขใจสบายใจ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกาสบายใจด้วยสติไม่ใช่แค่สวดด้วยสติเราต้องเพยเมตตาให้เกิตัวเองห้าหนาทีก็พอแล้วใส่ใจบุคคลที่ตัวเองเขาโรคโยงผู้หญิงต้องใส่ใจโยงผู้หญิงที่ตัวเองเขารค ไม่ใช่โยงผู้ชายโยงผู้ชายก็เหมือนกันต้องใส่ใจบุคคลที่เขารต้องเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ในเวลาแผ่เมตตาอยาไปแผ่เมตตาคนพอ่อคนแม่เดี๋ยวแผ่เมตตาไม่ไหวทำไมทราบไหมอยากจะแผ่เมตตาให้เกิดคนแม่ใช่ไหมคนพอ่อคนแม่เป็นผู้ที่หนึ่ง มีอยู่ในใจอยากจะเผยเมตตาเพราะว่าเรารักใช่ไหมแต่ไม่ควรทำไมเรารักคนพอ่อคนแม่เราก็เรารู้ความทุกข์ความสุขของคนพอ่อคนแม่ด้วยดูนึกถึงคนพอ่อนึกถึงคนแม่ พยายามเพยเมตตาเดี๋ยวไปนิกถึงความทุกข์ของโยมแม่น้ำตาไหลเพยเมตตาไม่ไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพเมตตาให้แก่คนพ่อคนแม่เพเมตตาบุคคลที่ดูเองเขาโรคแต่อาจจะไม่ทราบจริงๆชีวิตของเขาแต่เรานับถือได้อยู่บุคคลแบบนี้เป็นบุคคลที่สมควร เข้ใจไหมเราเพเมตตาขอให้ท่านมีความสุขกาสบายใจขอให้ท่านมีความสุขกาสบายใจด้วยสติและอย่างธรรมชาติถ้าเพเมตตาด้วยสติด้วยความปรารถนาดีแก่บุคคลนั้นในเวลาสันส้นๆ จิตสงบลงไปถ้าจิตสงบลงจะเปลยนธรรมชาติอันนี้สำคัญมากความจริงเราไม่คุ้นเคยกับลมที่ธรรมชาติลมที่เปลี่ยนธรรมชาติเราใบบังคับในเวลาปฏิบัติอนาบานาสติมากกว่าเพราะฉะนั้นเพเ ม, มิดดาคือการเตรียมตัวที่ดีมาก ทุกๆบันลันก่อนที่จะกำเนิรู้ลงเพเมตตาให้เก็ตัวเองห้านาทีให้เก่เเกบุคคลที่ตัวเองเข่าโรคจนถิงจิตสงบอย่าลืมจะเพเมตตาถ้าชำนันก็ไม่ต้องเพเแล้วตอนนั้นก็สามารถทำได้แต่ก่อนที่จะสามารถกาเนิรู้ลมเข้าลมออกได้อย่างดีต้องเพเมตตาแล้วก็้วยลืมตา ปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติโดยลืมตาไม่มีวันที่จะสามารถเจริญสมาธิที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นด้วยหลับตาเราต้องปฏิบัติเวลาปฏิบัติจะสังเกตว่ามีเหงื่อและร้อน เพราะเกรงร่างกายหรือนั่งสมาธิในท่าที่ไม่สบายหรือเปล่าแต่เมื่อไปอยู่กับลมหายใจลมเย็นๆจะค่อยๆเข้ามาสลับกันไปมาเป็นอาการปกติหรือไม่คะที่อัตมาได้แนะนำกนรารแผเมตตา ในเดี๋ยวนี้คำถามคือข้องกับคำถามนี้อาตมาก็เนะนำบุคคลที่ถามคำถามนี้เพเมตตาให้เกิดเพเมตตาให้เกิตัวเองและให้เกิบุคคลที่เขารู้ก่อนที่จะปฏิ บ, บัติอานาบานาสติถ้าจิตสงบดี การปฏิบัติจะเปลี่ยนไปแล้วในเวลาปฏิบัติอนาบานาสติเราไม่ควรไปสังกิลักษณะธาตุความร้อนความเย็นอันนี้ลักษณะธาตุในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอนาบานาสติก็ทรงสองไว้ เพื่อจะกำหนดลมที่เป็นพันญยไม่ใช่ปรมาถ้าไปสังเกตอาการร้อนลักษณะร้อนลักษณะเย็นอนนีจะกลเป็นทาตกรรมฐานมีลักษณะร้อนลักษณะเย็นในเวลาหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ใช่อารมณ์ของเรา แค่อยู่กับโลมที่เป็นบัญญตัติอย่าไปสนใจความร้อนความเย็นบางทีอาจจะรับรู้ลักษณะแบบนี้แต่ไม่เป็นไรแค่ไม่ไปกำเนดรู้ลักษณะต่างๆด้วยจตนาการหายใจการปฏิบัติในครั้งนี้ ลมหายใจสั้นบางคัางหายใจเร็วหายใจเบามันกระแทกไปกระแทกมารู้สึกอึดอัดเหนื่อยที่จะหายใจแน่นหน้าอกนิดนิดรู้สึกกวนกวายเหมือนเพ่งอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาค่ะ ม, มีคำหนึ่งที่อาตมาไม่เข้าใจเลยคือเขาลมเขามีลมหายใจสั้นบ้างนะคะเร็วบ้างแล้วลมหายใจนี้มันกระแทก แทกระแ ท, ก, ออะแทกก็หมายความว่ามาถูกสัมผัสนะคะทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วเหนื่อยที่จะหายใจแน่นหน้าอกรู้ไหมทําไมเป็นแบบนี้ไปบังคับเรากำหนดรู้ไม่เปลี่ยนธรรมชาติก็เป็นแบบนี้อึดอัดเหนื่อยเป็นทุกไม่เป็นสุบความจริง การปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเกิดแต่วความสุขถ้าเป็นทุกข์ผิดอยู่แล้วผิดที่ไหนความเพียงนี่เละเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยากจะสามรถสิ่งที่เราทำในในเวลาเราแสวงหากามารวม เงินทองทุกอย่างถ้าเราใช้ความเพียงมากในเวลาสั้นๆบางทีเราสาเร็จได้ใช่ไหมแต่ในการปฏิบัติไม่ทำงานเลยไม่เห็นประโยชน์มีแต่วความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตามนิสัยของเราเราได้ทำมาตามตามใจ ทำใจกิเลสแล้วก็ได้ทำด้วยความโลภความคาดหวงังความอยากเพราะฉะนั้นทำให้ความเพียงมากขึ้นถ้าความเพียงมากขึ้นจะไปบังคับลงจะไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็จะอึดอัดเหนื่อยเดี๋ยวถ้าปฏิบัติแบบนี้ต่อไปในที่สุดไม่ไหวอยากไม่อยากจะปฏิบัติต่อไป เพราะฉะนั้นคนนี้คนที่ถามคำถามนี้ก็ต้องเพยเมตตาก่อนที่จะปฏิบัติอนาบานาสติอันอีกสามัญเพราะว่าไม่รู้ลมที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าจิตไม่สงบเพราะว่าเพราะฉะนั้นไปบังคับลมเพราะฉะนั้นทาให้อึดอัดขึ้นมาหลายนี้บอกว่ายืนตอนยืนกำหนดลมหายใจยืนได้นิ่ง ตัวไม่โอนเอ็นยืนได้นานรู้สึกว่าทําได้ดีสําหรับการนั่งสมาธินั่งไปได้พักใหญ่ๆรู้สึกว่าทั้งแขนและขาเป็นเหน็บชารู้สึกหนักมากแต่พอกลับไปดูลมหายใจเรื่อยๆกลับรู้สึกว่าแขนและขาหายไปเหลือแต่ศีรษะและลําตัวเท่านั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะอืมคนนี้ก็เหมือนกันต้องเพลเมตตา ต้องแผ่เมตตาเพราะว่าจิตไม่สงบไม่สามารถกำหนดรู้ลมที่เป็ี่ยนธรรมชาติแล้วก็ไม่สามารถกำหนดรู้ติดโตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอาการต่างๆแบบนี้จะเกิดขึ้นการเรียนพระอาจารย์ขณะนั่งสมาธิดูลมหายใจเหมือนลมหายใจจะถูดถูกดูดลงไปที่กลางท้อง และมีแสงสว่างที่กลางท้องมีความร้อนตั้งแต่ลำตัวจนถึงใบหน้าหลายครั้งสามารถนั่งได้รวดเดียวถึงชั่วโมงครึ่งค่ะมีรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยถูกดูดลงไปที่ท้องแล้วก็ไปมีสว่างลมหายใจเป็นอะไรลมหายใจเข้าเนี่ยค่ะเหมือนกับลงไปที่ท้องแล้วทำให้ที่ท้องเนี่ยมีแสงสว่าง และมีความร้อนมันร้อนทั้งลำตัวและใบหน้าเนี่ยในขณะที่เขานั่งได้ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งผู้ปดิบัติคนนี้ต้องปรับตัวเองอย่าตามลงข้างในอย่าไปใส่ใจที่ท้องแสงปรากฏดีดีแต่ถ้า ฝึกจิตของตัวเองเพื่อจะอยู่กับลมปลายจมูกหรือแถวๆนี้โดยไม่ต่ำข้างในจนถึงท้องเพให้มีสติตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกมากที่สุดสมาดีจะดีขึ้นแสงที่ปรากฏก็จะจ้ามากขึ้นมั่งคงดีขึ้นเดอะธรรมาจะเล่าให้ฟังโยมทั้งหลาย บุคคลที่บรรพินบารมีมาบุคคลที่มีบารมีแม้แต่ไปปฏิบัติกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึง่งแม้แต่ไม่เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในระหว่างการปฏิบัติเห็นแสงได้เหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้สอนตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเนะนำห้มามอย่าไปสนใจมันทําให้หายอย่างนี้ก็มีความจริงอันนี้เป็นดีอาตมาพูดถึงบุคคลที่มีบารมีไปปฏิบัติกรรมฐานอันใด อันไหนก็ตามเมตเดไม่ใช่กรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนไว้วันหนึ่งเห็นแสงแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตามคำสังส่งของพระพุทธเจ้าไม่ติดดูเลยไม่จะเรียนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตามคำถามอาตามาเข้าใจว่ามีบารมีเห็นแสงที่ท้อง แต่ไม่ต้องไปสนใจแสงไม่ต้องไปสนใจที่ทอ้องอยากตามข้างในไปแค่กำเนดรู้ลงต้องให้ฝิกให้รู้ลงปลายที่ปลายจมูกที่ใดที่หนึ่งถ้าทำแบบนี้ต่อไปสามารถเข้าถึงฌานได้วันใดวันหนึ่งท้าปฏิบัติภายใต้ครูบาอาจารย์ที่สามารถแนะนำสั่งสอนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กบเปลียนถามพระอาจารย์ดูลมหายใจอยู่สักพักก็จะเกิดอาการหายใจลมหายใจหายใจไม่ใจนิ่งไม่คิดอะไรรู้สึกเหมือนว่างว่างนิ่งนิ่งไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะแก้ไขอย่างไรคะมีความสุขสงบเพราะฉะนั้นไปเย็นดีมันบุคคลที่สามารถกำเนิดรู้ลมเข้าลมออก ถ้าอย่างดีสมาธิเกิดขึ้นมีความสุขสงบตอนนั้นใกล้ทั้งหมดไปเย็นดีความสุขสงบเพราะฉะนั้นลืมจะอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมหายไปอันนี้สาเหตุก็คือไปเย็นดีความสุขสงบลมก็ละเอียดอยู่ในเวลาลมละเอียด ถ้าจิตไปสนใจอารมณ์ใดอารมณ์ไหนลมหายถ้าใจถ้ามีมีฟุง้งลมจะหายถ้าความเพียงมากไปลมจะหายถ้าสติอ่อนไปลมจะหายเราต้องมีชันทะชันทะเข้าใจไหมชันทะ ต้องมีชานทาที่มีกำลังเพื่อจะอยู่กับโลมที่สมคัญในเวลาโลมละเอียดเราต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับโลมละเอียดโดยวางอุเบกขาทุกอย่างความสุขสงบต้องวางอุเบกขาไม่อย่างนั้นโลมจะหายไประหว่างปฏิบัติไป ดูดูลมหายใจอยู่นั้นสักครู่ก็รู้สึกว่าช่วงตัวแขนจะหายและลอยได้เบาๆรู้สึกปวดไปหมดแต่พอกำหนดลมหายใจก็ได้ตลอดเวลาจึงออกจากปฏิบัติไปหนึ่งครั้งครั้งที่สองได้ลงนั่งใหม่อีกสักครู่ก็เกิดอาการตัวสายไปโยกมาแต่รู้สึกตัวและกำหนด ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาขอพระอาจารย์ช่วยแก้ไขค่ะคือครั้งแรกเขานั่งลงไปเขาเจอตัวเขาเบานะคะแล้ว ก, ก็ยังกำหนดลมหายใจอยู่รู้สึกขาเนี่ยมันจะปวดก็เลยออกมาจากสมถะกรรมทออกสมาธิไปพักแล้วครั้งที่สองกลับมานั่งใหม่สักครู่ก็เกิดตัวสายโยกไปโยกม า, าลมใสค่ะตัวโยกค่ะตัวโยก โยกไปโยกมาก็แต่ก็ยังกำหนดลมหายใจอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าสามารถกำหนดรู้ลมได้ตลอดเวลาก็ดีเด่ในเวลาปฏิบัติอนามบ나สติ เราต้องตั้งร่างกายให้ตรงแล้วก็ร่างกายที่ที่อาตมาเข้าใจแต่จำไม่ได้อะไรตัวโยกค่ะยกไปยกมาค่ะเาที่เขามีอาการอยู่สองอย่างคืออันที่แรกตัวเบาเหมือนจะลอยได้เขาเลยต้องออกจากสมาธิไปทีหนึ่งพอเขาลงนั่งใหม่ตัวเขากลับโยกนะคะ แต่เขาก็พยายามเกาะลมหายใจอยู่อะค่ะ mm hmm. เขาทําถูกต้อง mm hmm. ไหมคะถ้าสามารถกําหนดรู้ลมได้อย่างติดต่อตอนนั้นสมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเบาสบายเหมือนลอยอยู่ตอนนั้นไม่ต้องไปสนใจมันอันนี้ผลที่ดีเกิดขึ้นแต่เราต้องพยายามอยู่กับลมต่อไปโดยไม่ไปสนใจความเบาสบาย ตัวเบาตัวส บ, บายสามารถช่วยเราสามารถช่วยเรานั่งได้อย่างมีความสุขไม่มีเวทนาตอนนั้นเราควรพยายามอยู่กับลมต่อไปความสุขสงบความสุขความความเบาส บ, บายนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของเราอย่าไม่ไปถึงจุดประสงค์อันนี้เป็น ผลดีเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันมันเองสามารถช่วยเราได้แล้วถ้าตัวยกไปยกมาโยกไปยกมาถ้ายกไปยกมาอันนี้หมายความว่ามีเจตนาอยู่ถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นเห็นด้วยไหม ที่นี้ทำไมทำแบบนี้มีความอยากจะทำแบบนี้ใช่ัหมถ้าไม่มีความอยากทำไม่ได้ถ้าเราตายไปเห็นสูพใช่ไหมุพทำอะไรได้ไม่ได้ทำไมจิตไม่ทำงานแล้วความอยากไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหว จะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นยกไปยกมาเพราะว่ามีเจตนาเพราะฉะนั้นให้มีเจตนาเพื่อจะตั้งร่างกายให้ตรงตลอดไม่ต้องมีเจตนาอื่นอ่อันนี้ถามว่าขณะที่ดูลมหายไปในวันแรกมีลรมลระเอียดและเบาลงเบารง เกิดความเข้าใจว่ารมกําลังแสดงไตรักใช่ไหมไตรักค่ะเวลาลมหายไปเนี่ยรมกําลังแสดงสภาวะไตรักให้เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่นซ้ำเขาเรียนถามพระอาจารย์ขณะที่ดูรมในวันแรกรมมีความละเอียดและเบา ก็เกิดความเข้าใจว่ารมกำลังแสดงไตรักใช่ไหม oh. <laughs> เข้าใจแล้ว <laughs> ถ้าพูดถึงไตรา้าพูดถึงไตรักที่เป็นอนิจจันตุขันธ์อนัตตาความเข้าใจแค่นี้ไม่พอ ลมยาวลมสั้น ล, ม, ลมเบาลมละเอียดเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลมเบาลมยาวอนิจจันไม่เป็นตลอดเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดียเด๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็ละเอียดแต่เพื่อจะเข้าใจลักษณะอนิจจันทุกันอันัตตัน ที่เทจริงเราต้องเห็นรูปนามปรมาติก่อนถ้ายังไม่เห็นรูปนามปรมัติเราไม่สามารถเข้าใจไตรลักษณ์ที่สามารถไปถึงสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ ถ้ายังไม่เห็นรูปนามประมรรมลักษณะอนิจจันที่เป็นอนิจจันที่เป็นดุขันที่เป็นอนัตตันั้นจะไม่มีกำลังใช่สิ่งดีๆก็จะไม่เปลียนตลอ สิ่งชั่วก็จะไม่เกิดตลอดลเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวไม่ดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอันนี้จั์ก็บอกได้แต่ความเข้าใจแค่นี้ไม่พอเข้าใจหม เขาช่ oh คำถามนะคะนั่งสมาธิกาหนดลมหายใจร่างกายร้อนขึ้นร้อร้อนขึ้นถึงห้านาทีพอดีจามความร้อนนั้นจึงหยุดไปคงถามปัญห า, าเพราะอะไรร่างกายร้อนขึ้นร้อนขึ้นเค okay, เพราะว่าไปได้ไปใส่ใจ ลักษณะธาตุที่เกินอยู่ในตัวร่งวางกายความจริงตัวร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในเตละบุคคลลักษณะธาตุที่เกินอยู่นั้นไม่เหมือนกันบางคนลักษณะดิน ที่ลักษณะแข็งเกินบางคนลักษณะร้อนเกินอยู่บางคนไปกำหนดรู้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นทำให้อาการร้อนจะเกิดขึ้นมาได้เราไม่ควรไป สนใจและใส่ใจลักษณะต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในตัวร่างกายแค่วังอุปขาแล้วก็กลับมาดูลราถ้าอยู่กับลราโดยไม่ไปสนใจอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏในตัวร่างกายสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ถ้าไปกำหนดรู้ความร้อนอันนี้จะชาดขึ้นมาอีก เพราะนั้นที่ธรรมะต้องอธิบายให้โยมทั้งหลายเข้าใจหน่อยถ้าเราปฏิบัติอานาปานะมากขึ้นมากขึ้นลงและเอียนมากขึ้นอันนี้เป็นขบวนการถ้าเราปฏิบัติธาตุกรรมฐานมากขึ้นมากขึ้ น, นอันนี้ชัดเจนขึ้นมาไม่ละเอียดลงไป เพราะฉะนั้นถ้าเราไปสนใจและใส่ใจลักษณะใดๆ ใ, ใ, ในตัวร่างกายที่เกินอยู่ทำให้อันนี้ชัดขึ้นมาอันนี้จะลบควณการปฏิบัติอนาบานาสติเพราะฉะนั้นไม่ควรไปสนใจเราไม่สามารถแก้โดยการหนูรู้ลักษณะที่เกินอยู่โดยตรงเราสามารถแก้ปัญหานีโดยอ้อมโดยการหนูรู้ลมเข้าลมออก ถ้ากำนดรู้ลมเข้าลหมออกโดยวางอุเบกขาทุกอย่างอ น, นิสามาเกทุกอย่างโดยโรโดยโอ้อมได้ข้ใจข้อสองนะคะเขาหลับตาทำสมาธิใหม่ก็เห็นแสงตรงหน้าที่ปลายจมูกจากดำเป็นเทาจากเทาเป็นสว่างจ้าเห็นอยู่ถึง2 5สถึงนาที ในขณะนั้นเขาก็ดูลมหายใจโดยเป็นจังหวะนับห้หนึ่งหเข้าออกนะคะและในท้องก็เกิดอาการสั่นเคลื่อนไหวม้วนไปมาเหมือนคลื่นกระทบลมหายใจม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกวนไปวนมาอีกส0นาทีนาทีคนไหน <c oughs> ไม่ต้องอยู่พันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปปฏิบัติ สุมไปดีบาดที่สามารถสอนได้เดี๋ยวก็จะก้าวหน้าโดไปดีอยู่แล้วดีแล้วใช่ไหมคะ<อ>แล้วหลังจากนั้นพอเขาดูลมหายใจต่อไปเขานั่งต่อได้อีกสิบห้านาทีโดยมีสมาธิอย่างสงบเป็นปกติเป็นปร่งปกติค่ ะ, ปกกคะเป็นสมาธิค่ะอ๋อดีๆททำตอนน่อไปคนไหนคะ เจ้าของคำถามยกมือหน่อยสิคะอพระอาจารย์ชวนให้ไปปฏิบัติแล้วนะคะ<อ>ที่อ่างทองก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะเมื่อกีอ้ที่เราได้นั่งผุ<บ>คค<น>ลที่เห็นแสงทั้งหมดทั้งหลายต้องออกจากบ้านแล้วมีหลายๆคนไม่ใช่คนเดียวนะ น, น, นิยมเลิกถามเรื่องแสงแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะ <Hey. S 1> <laughs> มีคำถามแสงเยอะมากใ ช, ะะใช่ใช่ใช่ <laughs> ยมเลยต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่น <laughs> เอ่ออันนี้นะคะคงเป็นเป็ น, ปนคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติอยากจะขอคำแนะนำการดูรมหายใจอาณาปานสติในท่านอนต้องทาอย่างไรคะในท่านอนก็ขครกำเนิรูล้ลง ผู้บดิบัติทั้งหมดที่ลงมือปฏิบัติก็บอกกันในเวลามารายงานในเวลาในเวลานอนนอ น, น, อ, นอิริาบาทในอิริาบาทนอน <c oughs> มีครูสอน ข้างหลัง <laughs> ในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถ ท, ที่สามารถกำหนดลงได้ดีที่สุดทำไมเพราะว่าผ่ใครอย่างดีเพราะฉะนั้นลมชัดลงเป็นธรรมชาติกำหนดได้ดี อตาตมาไม่ให้กำลังใจจะทำนานๆเดี๋ยวก็จะนอนใช่ไหม <c oughs> นอนหลับก็เลยอตาตมาแนีนำเสื้อผ้านาทีพออย่าลุกเึล่ลนปฏิบัติต่อแต่ในเวลาที่นั่งปฏิบัติถ้าสามารถผ่อนคลายได้แบบเราใ น, ในเวลาที่เข้านอนนอนบนเตือนถ้าเราสามารถปรับตัวเองแบบเรานอนในเวลานั่ง ทำให้ผ่อนคลายดีและกำาหนดได้ดีเหมือนกันแต่ในเวลานั่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ทำให้ตึงใช่ไหมเข้าใจเรือเปล่าตึงในก็เลยมีความตึงเพราะว่าไม่ผ่อนคลเพราะฉะนั้นถ้าสามารถ วางใจและสามารถทําให้ใจและไกลผ่ใครดีแบบที่เราอยู่บนเตือนทําให้การกําหนดดีการกําหนดรู้ลงดีขึ้นเหมือนกันแต่บุคคลที่ลงมือปฏิบัตินั่งปฏิบัติชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงบางทีปฏิบัติในห้องส่วนตัวแต่ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยหมายความว่า นานไปใช่ไหมสองชั่วโมงเตอยากจะปฏิบัติต่ออาตมาก็แนะนำยืนปฏิบัติต่อเดี๋ยวผ่อนครดีแล้วก็นั่งปฏิบัติต่อปฏิบัติต่ออีกสองชั่วโมงแต่อยาจะปฏิบัติต่ออีกอาตมาแนะนานอนบุนเดือนสิบพลานาทีผ่อนครได้ดีแล้วก็ปฏิบัติต่ออีก ถ้าทำแบบนี้ก็จะเก้านาดีขึ้นคำถามต่อไปนะคะ mm hmm. แสงสว่างเมื่อจิตติดตามลมหายใจเข้าออกมีลักษณะเป็นสีขาวหรือเป็นสีน้ำเงินครับรเพราะที่รู้สึกจะเป็นสีขาวรอยอยู่ตรงหน้าอันนี้คิดไปเองหรือจิตเป็นสมาธิครับปรากฏนานไหมไม่ได้บอกคะ่ะเจ้าของ เงียบไม่อยากให้ใครใครรู้ <laughs> แต่ต้องเป็นผู้ชายแน่เลยค่ะเพราะเขาเขียนคำว่าครับ <laughs> พระเจ้าอาตา ม, มาดูคนผู้ใจ ย, <laughs> <laughs> ยังไงถ้าไม่ต้องไปสงสัยแม้แต่ในเวลามีแสงเท็กลางวานันถ้าเราปฏิบัติ ในเวลาที่มีแสงแดดแม้จะมีแสงแดดถ้าหลับตาก็มืดไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเวลาที่ยังไม่มียังไม่เป็นสมาธิเห็นแสงไม่ได้กลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดกลางคืนก็มืดกลางวันก็มืดเพราะว่าเราหลับตาไว้ใช่ไหม แต่ถ้าสมาธิดีขึ้นแสงปรากฏขึ้นมาสีขาวหรือสีทองหรือสีอะไรก็ตามไม่ต้องไปสงสัยผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่ามีความสนใจเอะอันนี้ถูกหรือไม่จริงหรือไม่ลืมตาดูก็ไม่เห็นไม่ใช่อารมณ์ของตาเพราะฉะนั้นลืมตาดูไม่ได้อันนี้อารมณ์ของจิต อารมณ์ของปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยจิตเม่เดบุคคลที่สามารถเข้าชานได้แสงจ้ามากบุคคลที่ปฏิบัติอยู่ข้างๆเห็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ของเขาอันนี้ของของของใคร <laughs> อันนี้เป็นคำถามที่เขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคะส่งมาจากข้างหลังการแผ่เมตตาให้ตัวเองจะต้องพูดอย่างไรคะการแผ่เมตตาให้ตัวเองต้องพูดอย่างไรคะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขใจส บ, บายใจ <laughs> อันนี้เป็นเรื่องของศีล น, นะคะคนที่มีศีลห้าไม่ครบจะทำสมาธิสำเร็จไหมครับ ขอพ่วงคำถามที่ต่อไปเลยนะคะแล้วไปนั่งฝึกสมาธิจะมีอันตรายไหมครับสินห้าครับไม่ไม่ครบสินห้ามีสินห้าไม่ครบนั่งสมาธิสำเร็จไหมแล้วนั่งไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมครับเดี๋ยวเราถ้าพิจารณาที่ความจริงที่เป็นอยู่ในเวลาโยงทั้งหลายมาปฏิบัติ ไม่ได้ฆ่าไม่ได้เอาสิ่งของไม่ได้ทำไม่ได้ทาการเมจูพิชาอั น, นี้จะว่ายังไงการเมจูพิชาใช่ไหมคะคือไม่ได้ไ ป, ปร ะ, ระมิ ด, ปดไปไปะเะมิดผิดทางกรรมเพื่อเพืผิดในกรรมไม่ได้ทำแบบ น, นี้แล้วก็ไม่ได้โกหก ไม่เดื่มเล้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในเวลานี้ศีลบริสุเลยหรือไม่หรือบริสุเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆถ้าถ้าเราพูดถึงความจริงในเวลาปฏิบัติมาเข้าคอสั้นๆหรือยาวตอนนั้นเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเด นอกเวลาปฏิบัติอาจจะไม่สามารถปฏิบัติสิ่งห้าอาจจะไม่ครบ ก, ก็ได้แต่ในเวลาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ทำสิ่งชั่วเหมือนกันใช่ไหมก็เลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญในเวลาปฏิบัติถ้ายาวนานหรือถ้าสั้นๆในเวลานั้นถ้าสิ่งบริสุทธิ์อยู่ ก็จะไม่ลกกวนการปฏิบัติแต่ภาพพิสูจและคาราวาสไม่เหมือนกันถ้าภาพพิสูจนสิน่สไม่บริสุทธปฏิบัติจะไม่สามรต้องแก้ปัญหาตามวินัยก่อนแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อแต่ถ้าเป็นคาราวา ปฏิบัติสินห้าเดี๋ยวขาดไปก็ถืออีกสมาทานอีกแล้วก็รักษาให้ดีด้วยความเข่ารุกแล้วก็ปฏิบัติต่อก็สามารถรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงได้เหมือนกันรายนี้นะคะติดเพลงบางครั้งก็เพลงจนปวดหัว แต่พอไม่เพ่งก็เผลอจะทำอย่างไรที่จะอยู่ตรงกลางใช่คนเราคนเคยอยู่กับทางสองทางเพ่งผ่อนคลายมากไปความเพียงมากไปอันนี้ทางหนึ่งแล้วก็ผ่อนคลายมากไปอีกทางหนึ่งไม่ชำนานที่จะอยู่ ทางกลางทางออกคือทางกลางมจีมาปฏิบัติทางกลางอาตมาเองก็ได้ทำแบบนี้มาเหมือนกันเดี๋ยวก็ความเพียงมากไปปวดหัวอาการดึงเข้ามาเดียวก็ผ่อนคลายมากไปอีกงวนนอน <laughs> เดียวก็ปราบ มาอยู่ตรงกลางไม่เข้าใจเพิ่งดูอีกเดี๋ยวก็พรอนคลายอีกอันนี้เป็นประสบการณ์ของทุกคนไม่ใช่แค่คนเดียวเราต้องปรับเพราะว่าเราไม่เข้าใจจะอยู่กลางๆเราชอบอยู่เราคุ้นเคยอยู่กับสองทางที่เป็นถึงเกินอยู่ความเพียงมากไปอันนี้ก็เกินเหมือนกัน ผอนคลายมากไปอันนี้ก็เกินเหมือนกันอันนี้สองทางนี้ไม่ใช่ทางออกเราต้องปรับตัวเองเพื่อจะเพื่อจะสามารถอยู่บนทางกลางเด็ด ต, ต้องต้องปรับตัวเองอาตมาต้องรอจนถึงเข้าใจด้วยตัวเองเนะนำได้แต่ต้องทําต้องปรับด้วยตัวเอง จเจริญสมาธิโดยทำอานาปานสติกำหนดดูลมหายใ จ, จเจริญไปสักพักหนึ่งรู้สึกตัวรอยเห็นเป็นเหมือนพบพบเห็นเทวดาบ้างพบเห็นคนที่ตายไปแล้วบ้างอย่างนี้ถือว่าจเจริญสมาธิถูกต้องหรือไม่และควรจะปรับปรุงอย่างไรตามคำสั่งสังกสพระพุทธเจ้าบุคคลที่อยากจะสามรถในกนรรมปฏิบัติต้องมี มนุษกัรย้อนดสมนกผู้ที่ไม่มีย้อนดีสมนุษการไม่สำเรย้อนสมนกเข้าใจใช่หมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจย้อนีนยกคือ การโนตมนั่การก็เข้า้ใจไหมม่นัีการ้การกระทำไว้ในใจการกระทาไว้ในใจ กังกระทาไว้ในใจเข้าใจไหมยดูยแยกแยกใครตัวเอ๊แยกใครเย็บเย็บใครเย็บเย็บใครลกังกระทาไว้ในใจ เข้าใจมัม้ยอาตมาเองไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> <laughs> คำใหม่ๆเย็บคลายใกังกระทำไว้ในใจเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายโดยใช้คำง่ายๆดีมั้ย <laughs> <laughs> ดีเดี๋ยวๆขอทำหน่อยเมื่อกี้นี้สองคำนี้เข้าใจมั้ย เข้าใจก็ไม่ต้องบอกแล้วคนไทยเข้าใจคำคาศัพท์ไทยใช่ไหมก็รีก็ดีเหมือนกันเคือพระอาจารย์ถามว่าคาว่าแยบคลายเนี่ยเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าแยบคลายแปลว่าอะไรโยมเข้าใจไหมเข้าใจ ยานิสมนสิกันคือการใส่ใจการกำเนดรู้การพิจารณาในสิ่งที่ควรการกระทำไว้ในใจ เยอธิบายให้หน่อยการกระทาให้การกระทารระทไว้ในใจหมายความว่าอะไรเยวความเข้าใจเหมือนกันนะการกระทาไว้ในใจการพิจารณาในใจโยนิโสมนิโิสมนการเนี่ยคะ่ะ เป็นการตามภาษาที่เขาแปล ก, ก็คือการพิจารณาในใจโดยแยกคายนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าเราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเอาเหตุการณ์นั้นขึ้นมาพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นผู้ลงไปให้ตัดสินให้ในสิ่งที่ถูกต้องสมควรอะไรเงี้ยมากกว่ า, าเ้าก็แยกคายเนี่ย เ, เดี๋ยวอาตมาจะให้อุปมาอันนี้จะดีกว่า ด้วยถ้าให้อุปมาก็จะเข้าใจดีในเวลาเราปฏิบัติอนามบานาสติอารมณ์กรรมฐานคืออะไรหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมบุคคลที่มียอรีนซอมนนซิการคือบุคคลที่แค่รู้ลมเข้าลมออกไม่รู้อารมณ์อื่นๆบุคคลนั้นมียอรีนซอมนนซิการเข้าใจไหมได้ย่างงั้นก็ดี <laughs> อย่างีก็เหมือนสมาธิเจ้าค่ะแป<อ>ลว่ามีสมาธิอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตามคําสั่งสั่งของพระพุทธเจ้าบุคคลที่มียอนิสมณสิกัรมีบุคคลที่รู้อารมณ์ที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ไม่ยอมจิตไปสนใจอารมณ์อื่นๆอันนี้หมายความว่ายนนิสมณีสิกัรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่คําถามโยจิตก็คําถามคำถามอะไรหายไปแล้ว เขานั่งสมาธิแล้วก็เห็นเทวดาอ๋อใช่ๆช่ใชจำได้แล้วถ้าอารมณ์อื่นๆที่เทวดาแล้วก็อารมณ์รูปภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาเพราะว่าไม่มียนนิสโสมนสิการถ้าอารมณ์อะไรๆเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจแค่กลับมาดูลง ต้องฝึกแบบนี้ต่อไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ที่มีโยนิโสผู้ที่มีนิสมนสิกันจะสาเร็จในการปฏิบัติจริงๆถ้ามีโยนิโสมนัสิกันหมายความว่าไม่ยอมจิตของตัวเองให้ไปรู้อันนี้อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจิตไปรู้อันนี้อันนั้นแล้วเดินตัวเองหน่อย ไม่มีโยนิโซมนสิกันให้มีโยนิโซมนสิกันหน่อยถ้ายงานก็จะเก้าหน้าโตไปได้อันนี้ก็คงเป็นรายงานว่านั่งได้ถึงส5้านาทีแต่ปวดมากวางอุเบขาแล้วมาดูรมต่อความปวดก็ทุเลาลงสักพักก็กลับมาปวดอีกจนต้องเปลี่ยนอิริยาบทขณะที่นั่งก็มีเรื่องคิดบ้าง พอรู้ตัวกลับมาก็มาดูลมอีกจึงถึงรู้ว่ามีสติไม่ง่วงไม่เห็นแสงแต่พูดไปถึงเรื่องที่บ้านด้วยนะคะไม่เห็นออพอกลับมารู้ตัวก็ดูลมต่อจึงรู้ว่ามีสติไม่ง่วงแต่ไม่เห็นแสงถามว่าถ้าเป็นคารวาสกลับไปที่บ้านแล้วนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจะมีโอกาสถึงฌานไหมคะ ลงทุนน้อยหวังกไรมากแต่อยากได้กำลังมาก <laughs> กำไรกาไร <laughs> แต่ยังไงก็ดีกว่าที่ไม่ทำทำต่อไปแต่ให้ลงทุนมากขึ้น เรียนการเรียนถามวิธีปฏิบัติมีวิปัสสนาญาณิกที่ง่ายๆแบบนั่งเรือข้ามทะเลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พร้อมวิธีประยุกต์ที่ง่ายๆที่พระอาจารย์ในปัจจุบันนํามาแนะนําและจะได้รีกออกไปปฏิบัติที่ถูกต้องเจ้าค่ะอยากได้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาญาณิกที่ง่ายๆค่ะจะได้นั่งเรือ <laughs> อยากจะเป็นคน ล, ำล้ำเลยแต่ว่าอยากจะทำแบบคนจนใช่ไหม <laughs> ไม่ได้พูดตรงๆอยู่ทั้งออกจากสัมสารวัตไม่ใช่ทางง่ายถ้าทางง่ายเราจะไม่กกนผงพูดตรงๆอยู่ ดูสแวงหากามารุอยู่กับกามารุอนอยกามารงแล้วก็ในวิถ i n เวลาก็ใจไปปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานดีแค่ไหนถ้าเป็นไปได้อัตมาก็จะไม่อยู่ชีวิตแบบนี้ํา ท, <ำ S 2> ท่านบอดี้ยันหน่อย <laughs> ได้ไหม ไม่ได้ <laughs> ไม่มีทางง่ายแต่เราไม่ไม่ต้องพูดยากหรือง่ายแกบุคคลที่มีบารมีบุคคลที่มีบารมีสามารถทำแต่ละขั้งตอนต่อไปได้อย่างสบายสบายจนถึงเขา้าเข้าสู่พระนิพพานได้แต่อยา่าคาดหวังว่า ถ้ามีทางไง่ายๆก็จะดีไม่มีไม่มีครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครั บ, ร บ, รบถ้างายย่ายงั้นนะครับพระพุทธเจ้าคงตัดสรู้อยู่ในวังนะครับใช่ใช่ <c oughs> ไม่ออกจากวังแล้วคำถามต่อไปนะคะเออขอถามรวมๆเลยเป็นโรคที่ปวดอะไร เจ็บป่วยเรื้อรังเวลานั่งสมาธิจะมีทุกขเวทนามากทำให้นั่งสมาธิไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนโดยการไปนั่งเก้าอี้ได้ไหมคะแล้วการนั่งเก้าอี้จะได้สภาวะดีๆีไหมคะอาตมาแนะนำผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาที่ขาเพื่อจะนั่งบนเก้าอี้ มีลูกศิกคนหนึ่งชาวเกาหลีมีปัญหาที่เขาแต่อายุยังไม่ยังไม่มากเพราะว่ามีเป็ น, accident, ป น, ปนอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นมีบารมีเห็นแสงอยู่เห็นแสงมานานแล้วอยากจะปฏิบัติแต่บนนั่งบนพื้นไม่ไหวกัตามาก็ให้นั่งบนเก้าอี้ สามารถเข้าชานได้เหมือนกันแต่บุคคลที่มีไม่มีปัญหาแบบนี้อาตมาแนะนำให้กำลังใจจะนั่งบนบอกนั่งบนพื้นอันนี้เป็นอิทธิบา บ, บ ท, ที่ดีที่สุดถ้าเรานั่งบนเก้าอี้จะว่ายังไงแหงลงเท้าเราเวาง เท้าไวใช h, ่ไหมก็เลยทำให้บวมได้ถ้านานๆทำให้ขาบวมได้เพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนกันแต่ไม่มีบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่ยังไงถ้ามีปัญหาที่ขาหรือผู้ที่มีอายุสูงปฏิบัติบนเก้าอี้ได้เหมือนกัน อันนี้ <c oughs> ถามมาว่าเพราะตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติวิปัสนาเลยไม่ได้ฝึกสมถ ะ, จะเจริญคณิกะสมาธิคู่กับจเจริญสติดูรูปนามในปัจจุบันจนถึงขั้นสูงสูงแล้วแบบในชีวิตประจำวันก็รู้การเคลื่อนไหวไปได้เองรู้ปรมัติ์โดยไม่ต้องพยายามทำแต่มีปัญหาว่าจิต หรือนามธรรมเห็นแต่ไม่ชัดแบบมัวมัวรู้จิตรู้จิตรู้ได้แต่ก็เห็นไม่ชัดเพราะไม่ถึงอารมณ์จริงๆการแก้ปัญหานี้คิดว่าสมาธิไม่พอใช่หรือไม่คะแล้วถ้ากลับมาฝึกสมถะแบบอย่างเดียวมันจะเป็นการถอยหลังหรือเปล่าแล้วก็ อยู่กับอารมณ์เดียวไม่ได้มันติดย้ายอารมณ์ไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่ได้เจริญสมาธิการรู้การเห็นของเราก็จะเป็นผิวเผินไม่สามารถเข้าสู่จุดประสงมไม่สามารถเข้าถึง ด่ประสงค์ที่เราคาดหวังไว้เพราะว่าผู้ที่ไม่มีสมาดิไม่สามารถเห็นรูปนามประัตน์ได้เห็นแต่ไม่ใช่รูปนามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เห็นแค่ผิวผินเพราะฉะนั้นเราควร กจิตของตัวเองเพื่อจะสามารถอยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อจะสามารถเจริญสมาธิที่มีกำลังน้อยที่สุดอุปชาราสมาธิดีที่สุดอัปนาชันสมาธิไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถรู้และเห็นรูปนามประมาทไม่สามารถรู้และเห็น การเล่ผลของกรรมคือเหตุเล่ผลถ้าไม่เห็นรูปนามปรมัติเราไม่สามารถปฏิบัติวิปัสสนาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถามพระอาจารย์จิ์นั่งสมาธิรู้ลมตลอดสภาพจิตภายในผ่องใส เวลาออกจากสมาธิก็ยังมีสภาวะนั้นอยู่คือลืมตามาเห็นรอบๆตัวมีความขาวสว่างใสและดวงตาจะมีเหมือนกับดาวดวงเล็กๆวิ่นอยู่อย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะสานั่งสมาธิรู้รมตลอดสภาพจิตใจภายในผ่องใส เวลาออกจากสมาธิก็ยังมีสภาวะเช่นนั้นอยู่พอลืมตาก็จะเห็นรอบตัวเนี่ยขาวใสสว่างดวงตาเหมือนกับมีดาวด ว, ดวงดาวเล็กๆวิ่งอยู่อย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมหลังจากลืมตาแล้วก็ดี อ, อ, อ, อ, อยู่แล้วจะต้องฝึก ในการกำเนูรู้ลมให้มากขึ้นกว่านี้ต่อไปเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ดีเ ม, ม, มเตนอกเวลาปฏิบัติหลังจากการปฏิบัติก็มีความสุขสงบอยู่ตอนนั้นก็ควรกำหนูรู้ลมต่อไปแล้วถ้าดินจงกรมสริบห้านาทีย0สบนาทีแล้วก็ควรนั่งต่อ ฝึกแบบนี้ต่อไปไม่ทราบว่าคาวาสมีความสามารถปฏิบัติตนให้บรรลุนิพพานในชาตินี้เป็นไปได้หรือไม่หรือทําเป็นเพียงแค่สร้างบารมีเพื่อชาติหน้าจะได้นิพพานหรือต้องบวชเป็นพระเมื่อกี้นี้อาตามาบอกถ้าไม่กุลโผงถ้าสามารถ รูพ้นจะสามสารวัตรได้อดัมาก็จะไม่อยู่ชีวิตนี้แต่ว่าอดัมาไม่ได้หมายความว่าอยู่ชีวิตคารวัตอยู่เป็นคาร์อยู่เป็นคารวาตไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็จริงได้ถ้าถ้าออกจากบ้าน ตามจำเป็นเราต้องออกจากบ้านแล้วก็ลงมือปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งที่สามารถสอนตามคำสั่งสอ ง, องพระพุทธเจ้าเมย์เดยังไม่พร้อมที่จะอยู่ชีวิตพระพิสุหรือเมชีไม่เป็นไรแต่เราต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวอาตมาให้ อาตมาเล่าให้ฟังลูกศิษย์คหนหล่งของอาตมาเป็นชาวสิงคโป ร, ร์เขาก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงในประเทศของเขาประเทศของเขาต้องการเขาแต่ เ, เขามีบารมีเดี๋ยวออกจากบ้านเปยนยังเปลี่ยนคาราวาสปฏิบัติสองเดือนเด็ดโตอโตอนืัน้นสมาธิดีขึ้นแต่ต้องไปทำงานใช่ไหม กลับไปอธิมาเดือนปฏิบัติทุกวันไปทำงานสมเดือนก็กลับมาอีกสองเดือนสามเดือนทำจบเราก็ไม่ลืมจะทำกรรมฐานในเวลาอยู่บ้านอยู่สมาธิดีขึ้นอีกเดี๋ยวก็กลับไปอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็กลับมาหเดือนอยู่ในที่สุด รู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งเขาอยู่กับธรรมได้แล้วเขาสามารถอาศัยธรรมได้แล้วเดี๋ยวนี้จิตเปลี่ยนไปไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็ดีมันดีมัใช่เลยน้อยที่สิ่งก็ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวอาตมา นึกถึงอยากให้โยมทั้งหลายนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำมาเคยขึ้นปอหนึ่งใช่ไหมกี่ปีโยมหนึ่งปีใช่ไหมเคยขึ้นเคยขึ้นสูงบัณฑิตบัตรที่สอนทางออกถึงหนึ่งปีแล้วหรื อ, อยังน่าอายจริงๆ อยาจะบรรลุพระนิพพานได้อย่างไรใช่ไหมกับเรียนถามพระอาจารย์นูนนั่งสมาธิได้ค่ะนั่งตลอดได้ประมาณห0สิบนาทีรู้สึกว่านั่งได้นานไม่ทำให้ฟุ้งน้อยลงไม่เกิดเบทนา เพราะกำหนดรู้ที่ลมหายใจคำถามก็คือว่าการเรานั่งสมาธิแล้วยังไม่เกิดถึงไม่ถึงขั้นเกิดแสงถือว่าเกิดบุญไห ม, ไหมคะเห็นอาจารย์พาอุทิศบุญทุกครั้งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมายความว่าเขานั่งสมาธิได้ตลอดถึง50นาทีแล้วก็ไม่ฟุง้งไม่เกิดเวทนากำหนดรู้ที่ลมหายใจ แต่ก็ยังไม่สงบถึงขนาดเห็นขั้นเกิดแสงเป็นบุญหรือยังแล้วยังไม่มีบุญเลยไปอุทิศได้หรือเปล่าอุทิศได้รืเปล่าอุทิศบุญค่ะอุทิศสวนอุทิศสวนกุศล อ, อ, อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้หลังที่เราทากุศลอันใดอันหนึ่งก็ตามไม่เป็นไร แต่เขาสงสัยว่าเขายังไม่สงบและยังไม่เคยเห็นแสงเลยถือว่าเป็นบุญหรือยังอ๋อเป็นบุญแล้วเป็นบุญแล้วเป็นเป็นบารมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการบันเพทงบารมีแต่ว่าสงบกำหนดได้ดีอันนี้ดีอยู่แล้วถ้าสามารถลงมือปฏิบัติติดต่อตอนนั่นสม่ําเสมอโดยใช้เวลาพอสมควรคนแบบนี้ก็จะก้าวหน้าเหมือนกัน ตาประสบการณ์ ข, ข, ของอาตมาอาตมาเข้าใจคนแบบนี้ก็จะก้าหน้าเดี๋ยวต้องใช้เวลาพอสมควรทำอย่างไรเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านควรปฏิบัติอย่างไรก็ขอพูดต่อไปเลยนะคะแล้วง่วงด้วยจะทําอย่างไรทั้งฟุ้งซ่านแล้วก็ทั้งง่วงข้อหนึ่งทำอย่างไรเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านข้อสอง ถ้าเกิดง่วงจะทำอย่างไรให้มีสติอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องในวิสุดิมกักมีคาปฏิบายนผู้ที่มีฟูงมากควรนับลมเข้าออกหนึ่งเข้าออกสองเข้าออกสามทิ้งแปด แล้วก็1งทีม8หนึ่งทีม8ซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ในเวลานับลมมีผู้ปฏิบัติส่วนมากนับโดยไม่รู้ลมเข้าลมออกถ้าทำแบบนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ถ้ารู้เข้ารู้ออกแล้วก็นับหนึ่งรู้เข้ารู้ออกนับสองมีเวลาที่จะฟุ้งไหม ไม่มีแต่ถ้าไม่รู้ลมเข้าลมออกนับเฉๆในเวลาหายใจเข้าหายใจออกโอกาสจะฟุง้งเป็นหาโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าในเวลาเรานับลมถ้ารู้ลมเข้าลมออกแล้วก็นับหนึ่งนับโดยรู้เข้าออกมีประโยช่์มาก นับหนึ่งถึงสก็ได้อย่ากเกิน10บอย่าน้อยห้าหนึ 10, ่งถึงหหนึ่งถึงสหนึ่งถึงก็ได้เตมีฟุง้งเพราะว่าสติอ่อนแล้วก็ชานท่าก็อ่อนเพราะฉะนั้นมีฟุง้งยังไง บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งหลายในเวลาเรื่มปฏิบัติทุกคนสติก็ไม่มีกำนานเหมือนกันทุกคนก็มีฟูงอันนี้ธรรมดาไม่ใช่อะไรแปลกแปลกอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่เราต้องมีความปรารถนาะเพื่อจะฝึกจิตของตัวเองต่อไปโดยใช้การ น, นับล แล้วก็ความง่วงอันนี้ก็เกิดขึ้นได้บางทีเพราะว่าอาหารอาหารที่ถวายในพสลดีไหมดีใช่ไหมฉันมากไปใช่ไหมถ้าฉันมากไปก็จะ ง, ง่วงให้พอๆในเวลาปฏิบัติเราเร า, เราต้องปรับอาหารแม้แต่บางบางที แม้แต่อาหารที่เราคิดว่าชอบบางทีไม่ดีเพื่อเพื่อเพื่อสุขภาพบางทีไม่ดีในเพื่อการปฏิบัติของตัวเองบางทีอันนี้ลบกวนฉันอาหารแบบอาหารชนิดนี้ทำให้ง่วงก็ไม่ควรฉันต่อไปบางทีเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับ เพราะฉะนั้นมีอาการง่วงบางทีก็เพราะว่าเหนื่อยก็เลยนอนอ ง, ง่วง น, นอนบางทีไม่ใช่สาเหตุทั้งบทที่อาตมาอธิบายไปนั้นไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าอาหารไม่ใช่เพราะว่าอะไร ไ, ไม่ได้นอนหลับดีไม่ใช่เพราะว่า มีความเหนื่อยบางทีเพราะว่าสติอ่อนชันธาอ่อนไม่มีความสนใจในการกําหนิดรู้โลกเพราะฉะนั้นทําให้ง่วง น, นอนได้ถ้าสติอ่อนเราต้องปรับตัวเองให้มีสติมากขึ้นถ้าชันทะอ่อนให้มีฉันทาเพื่อจะอยู่กับโลก ถ้าไม่มีความสนใจอนนี้อันตรายเราไม่สามารถปฏิบัติได้ดีถ้าไม่มีความสนใจเพราะฉะนั้นเราให้ต้องให้มีความสนใจ